เรื่องนี้เอามาให้ดูเพื่อจะได้ดูวิธีสอบอารมณ์ของหลวงพ่อนะหลวพ่อท่านสอบอารมณ์แบบไหนนั่นก็เลยว่าให้เราทุกคนดูเอาไว้เพื่อเพื่อจะได้จำเลยว่าหลวงพ่อเทียนท่านสอบอารมณ์แบบตัวต่อตัวนะไม่ได้ถามอย่างเดียวแล้วก็ท่านจะใช้อุปกรณ์ รอบข้างทุกอย่างเป็นประโยชน์ในการสอบประหลุมซึ่งเป็นการเรียกว่าสัมผัสดโดยตรงนะสัมผัสดโดยตรงอย่างที่เราเห็นใหเสียไฟขึ้นให้เ ร, เราจะเห็นว่าในเรื่องนี่หลวพ่อมั่นใจมากว่าตอในช่วงนั้นท่าน เ, าเริ่มเป็นมะเร็งนะแต่คุณสุพลเมื่อกี้ที่ท่านสอบปรมคุณสุดท้ายนีย่เป็น แล้วเป็นคนมีอันจะกินแต่ว่านอนไม่หลับปวดหัวก็<ม>เลย ม, มาปฏิบัติกับหลวงพอ่อหลังจากมาเจริญสติแล้วปรากฏว่าแกหายโรคเครียดนะหายโรคเครียดแกก็เริ่มใสปฏิบัติมาตลอดหลังจากหลวงพ่อมรณะแล้วแกก็ตั้งอาสาละปัจจัยตั้งมุนีที่หลวงพ่อเทียนขึ้นมาคุสุพลเมืเอกีย้นะ นั่นก็เราจะเห็นว่าในวิธีการของพ่อในคนประเภทไหนก็ตามนะถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าท่านแนะเนี่ยอาจจะเห็นว่าท่านละเอียดมากวิธีการยิ้มรูปกันนั่งแล้วก็วิธีการนําเสนอการแนะท่านจะเอาให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมอะซึ่งแทนที่จะมานั่งพูดกันเฉยๆใ้เราดูนะ และ ว, วิธีที่ทําอย่างนี้ไปทําไปเรื่อยๆท่านบอกว่าเหมือนกับการไขกุญแจพอไปถึงจุดหนึ่งมันหมุนถูกถเต็มที่มันก็ไขพวกออกมาเปิดออกมาหรือบางทีเราถูกคนอื่นว่าให้เราไม่พอใจมันแน่นอยู่ในอกเหมือนกับเอาผ้ารัดคอนให้เห็นไอ้สภาวะปรามาจารยกับลูปธรรมเนี่ยให้สอดคล้องกันคนก็เข้าใจง่าย <c oughs> ซึ่งเข้าใจว่าในครั้งสมัยพุทธกาลก็คงจะทําแบบนี้แหละ ที่บระเจ้าสอนคนถึงเข้าใจง่ายนะอย่างสิงคโปร์ชาวสิงคโปรพูดกัไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าฟังเร า, าจากอาการของพ่อของพ่อสอนอะไรปรากฏยมหยกเหรียญนหนะยกเหรียญกลับไปเดี๋ยวนี้ก็มี <c oughs> ศูนย์ของสอนเรื่องในที่สิงคโปร์ของพ่อเราจะเห็นว่า หลางพ่มีความตั้งใจมากแล้ววิธีการสอนท่านไม่มีธี่ลีดองอะไรนะท่านก็ไปนั่งกลางฝูงชนสอนอย่างนั้นแต่ในที่เราเห็นภาพวิดีโอเมื่อกี้คนรุ่นนั้นตายไปเกือบหมดแล้วเนะมื่อสาสิปีก่อนก็เหลือไม่กี่คนนะนทุกชั้นวรระท่านเข้าไปสอนเพราะฉะนั้นการที่จะมายืนยันหลักการที่เข้าถึงสภาวะอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นการสอนแบบนี้ของพระอาจารย์กรรมฐานในประเทศไทยไม่เคยเห็น แต่ไม่เห็นหลวงพ่อเทียนนะท่านมีความจริงใจตั้งใจมากที่เราจะให้เข้าใจเรื่องนี้ซึ่งจะเห็นว่าท่านมุ่งทําเรื่องเดียวอ่ะให้คนเข้าใจเรื่องสติความรู้สึกตัวแบบนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนนั่นว่าเราตายไปโดยที่เราไม่ได้ใช้มันเลยเหมือนเรามีขุมทรัพย์อยู่เป็นเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองแต่ว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของมันเราตายทิ้งมันไปเฉย แล้วต่อชีวิตเราก็ยากจนหนุนทั้งที่เรามีสมบัติแต่เราไม่ได้ใช้เพราะไม่มีใครมาชี้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามาท่านอุบัติมาสู่โลกนี้เพื่อมาเปิดของที่ปิด <c oughs> งายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางชูแสงสว่างในที่นี่มืดหน้าที่ของท่านมีขนาดหมายถึงบอกว่าเนี่ยคุณมีขมทรัพนะมีอริยทรัพย์อยู่ในตัวง รีบเอาขึ้นมาใช้เดถ้าคุณตายไปแล้วมันไม่ได้ใช้นะคุณก็เหมือนกับตายทิ้งสมบัติไปเฉยๆนะเหมือนกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราอันนี้คือทรัพย์อรียทรัพย์ในตัวของคนทุกคนนะเราต้องต้องรีบเพราะนั้นอาศัยท่านผู้รู้มาชี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เล่าไว้ในหนังสือของโอโช่เขบอกมีข้อทานคนหนึ่งแกนั่งขอทานยูสีแยกทีนี้ ไอ้ที่ตรงแกขอทานมันมีกล่องไม้เล็กๆอยู่แกนั่งอยู่ตรงนั้นขอทานทุกวันทุกวันทีนี้แกก็อาศัยเงินเศษหา้าเศษเหรียญเศษสตังค์เขากินแต่วันหนึ่งมีคนผู้รู้คนหนึ่งอาจจะมีตาทิพย์หรือรู้อะไรก็ได้มาบอกว่านีแกนั่งขอทานอยู่ทําไมแกมีทรัพย์ต้องเยอะแยะเนี่ยที่แกนั่งทับอยู่เนี่ยแกไม่เคยเปิดมันดูเลยนะลองเปิดดูสิก็พลิกขึ้นปรากฏโอาหูมีแก้วเพ็ดแหวนอ่ เพดินจีดาเต็มไปหมดในกล่องนั่นนะก็นั่งทํามาตลอดชีวิตพอมีคนมาชี้ปั๊บเปิดก็ใช้ได้เลยความยากโจทย์ก็หายไปบัตร ด, ดุลเห็นไหมดังนั้นพอเราเรามารู้เรื่องนี้พบเรื่องนี้แล้วเนี่ยความทุกอย่างลําบากความเศร้าหมองอต่างๆก็หายไปทันทีเมื่อมีตัวนี้ขึ้นมาเป็นที่พึ่งของจิตดังนั้นเราทําได้มากเท่าใหเราก็มีมากเท่านั้นแหละแต่ทําด้วยความเข้าใจนะถ้าทําด้วยความไม่เข้าใจทํามากเท่าไหร่บางทีก็จะ ผิดอยเพี้ยนไปก็มีแต่ทําด้วยความเข้าใจยิ่งทําก็ยิ่งรู้ยิ่งทําก็ยิ่งรู้ยิ่งทําก็ยิ่งมั่นใจเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราก็ทําแล้วถ้าไม่เข้าใจต้องถามครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านผ่านมาก่อนเราท่านก็จะชีย้ย่อจุดไหนคนเข้าใจถูกอันไหนเข้าใจผิดท่านก็จะบอกแล้วก็ทําด้วยความมั่นใจเพราะเราได้ทาความมั่นใจได้ทาความเข้าใจเนี่ยเราจะไม่เบื่อเลยนะการทํายิ่งทํายิ่งสนุก อามาทำมาในสามสีกว่าปีไม่เคยเบื่อว่ามันจะไม่สนุกทำสนุกกว่โยมอีกนะเหมือนเราหาเงินน่ะพวกเศรษฐีหาเงินยิ่งหาก็ยิ่งสนุกเพราะมันได้เงินนะเนาะจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วทีนี้นั่นตรงนี้เรียกว่าอริยทรัพย์แต่ทรัพย์สินเงินทองภายนอกเราพกค่าทรัพย์มันหมดเป็นแต่อริยทรัพย์เนี่ยมันหมดไม่เป็นแล้วก็เอาติดตัวไปได้นี่นะควรู้สึกตัวนี่นะถ้าสมมุติเราตายก็ต้องไปเกิดอีกมันตึงเรายังไม่หมดอาสวะกิเลสเราจะต้องไปเกิดอีกมันก็ไอ้ตัวนี้มี จิตติดวิญ ญ, ญาณเราไปแต่ท่านบอกว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วไม่ต้องไปหวังการเกิดอีกแล้วไม่ต้องรอไปเกิดไปนี่ผ่านข้างหน้านแล้วเอาเมื่อชาติปัจจุบันนี่แหละ <c oughs> ไม่ต้องไปเกิดไม่เสียเวลาอีกนะฉะนั้นการเกิดแล้วเกิดอีกเนะี่เป็นเรื่องการสอนทางด้านศีลธรรม <c oughs> แต่นี้นของปรมาติมันไม่มีการเกิดการตายแล้ว <c oughs> นะมีการเกิดดับเท่านั้นการเกิดตายไม่มี ในด้านปรมาตาการเกิดตายไม่มีมีแต่การเกิดดับนะแต่ถ้าเราเข้าใจการเกิดดับในะปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่สนใจเรื่องเกิดตายเกิดตายเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เรื่องเกิดดับเป็นเรื่องที่เรารู้ได้เห็นได้เข้าใจได้โดยการปฏิแบบัติแบบนี้เนะนี่ยนัขณะที่ท่านสอนอยู่แล้วก็เป็นมะเล็งเนะนะี่ยไปไปสิงคโปร์มานะก็ไปสอนสิงคโปร์ท่านจะผิดอากาศอาหารยังไงก็ไรูก้กลับมาก็ เป็นกระเพาะพ่อฉันน้เชียนฉันน้อยมากเท่าที่มาเคยนั่งฉันเขาท่านฐานนิดเดียวที่กระเพาะเมื่อเข้าไปน้อยกระเพาะมันก็หดตัวเข้าหดตัวเข้ามันก็เลยรีบก็ทําให้เป็นโรคมะเร็งกระเพาะ อ, อาหารในเวลาต่อมานะซึ่งในสมัยก่อนหน้านั้นท่านเป็นครหัส่าท่านก็ติดาแฟติดบุหรี่มันก็มีเชื้อมาจากตัวนั้นด้วยติดสารตกค้างแต่พอแล้ามาเข้าใจธรรมท่านเลิกหมดเลยนะเพราะนั้นในความ ตั้งใจด้วความจริยใจของท่านนะเรียกว่าสอนคนนี่เข้าประกบตัวเลยแหละเพราะท่านอยากให้รู้จุดนั้นจริงๆงสมัยหนึ่งมาปฏิบัติหม่ใหม่ที่วัาสนามในติดอารมณ์ติดอารมณ์ิปเาเรียกว่าจินตยานนะจินตยานทำให้เราเห็นอะไรพลิกเปลี่ยนหมดหเห็นต้นไม้นี่มันเอายอดลงเอารากขึ้นชี้ให้เพื่อนดูทั่ววัดเลยเพื่อนก็ไม่ได้เห็นตามเราล้วก็ เห็นผิดตัวเองท่านก็ต้องมาแก้อารมณ์มท่านมาชี้ให้เรารู้สึกตัวท่านแล้วก็ออกจากความตื่นนั้นได้ซึ่งอันนี้คือกัลยะาณมิตรที่รู้จริงท่านก็จะบอกจุดให้เราออกทางถูกเหมือนท่านเปิดประตูคนเราส่วนใหญ่พอหลงวนอยู่ในความคิดของตัวเองเราก็หาทางออกแต่หาทางออกไม่ได้วนอยู่นั่นที่ท่านบอกว่าเหมือนกับโมเ ด, ดง็งต่ขอบดงคนเราเหมือนกันจะออกจากทุกข์ตัวนั้น หาเงินเพื่อจะออกจากทุกข์ก็ออกไม่ได้มีลูกมีเมียมีผัวเพื่อจะออกจากทุกข์ก็ออกไม่ได้มีเงินมีทองหาทรัพย์สมบัติก็ออกจากทุกข์ไม่ได้มีบ้านมีรถมีกิจการร้านค้ามีบริษัทมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ออกจากทุกข์ไม่ได้หาอย่างนั้นนะจนกระทั่งว่ามาพบทางที่จะออกจากความคิดนั่นแหละออกจากการยึดมั่นถือมันนั่นแหะออกจากทุกข์ได้ ท่านบอกว่าย้อนเข้าไปแมันอยู่ในที่มืดในความคิดเนี่แต่ความจริงมันมีทางออกอยู่พอออกไปข้างนอกมันกว้างขวางมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นก็คนเราหาทางออกจากทุกยิ่งหายิ่งเจอทุกเพราะมันออกประตูไม่ถูกแต่ว่าได้พบท่านผู้รู้แล้วท่านท่านชี้ประตูให้แล้วก็ผลักออกไปเท่านั้นเองมันก็เจอนะเพราะนั้นประตูใจของเราเนี่ยให้มันเปิดไปสู่ความรู้ตัวปัจจุบันอย่าเปิดไปสู่กลับเข้าไปสู่ห้องมืดของความคิด เพราะนั้นเองเวลาเราปฏิบัติแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งคิดอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นมันมีสติมันก็อยู่ด้วยปัญญาความคิดกับปัญญาต่างกันอย่างไรเคยคิดหมความคิดกับปัญญาเนี่ยต่างกันยังไงความคิดมันเหมือนเราเดินในที่สุ่มสลัวที่มืดแต่ปัญญาเนี่ยเราเหมือนถือแสงไฟฉายหนังมันสว่างกว่ากันเยอะ ความคิดมันคิดแต่อดีตอนาคตมาเป็นบางตัวเองแต่ปัญญาเนี่ยมันเอาความจริงในปัจจุบันมาเป็นตัววัดมาเป็นตัวชี้มันก็เห็นแจ้งกูกันนะเพราะฉะนั้นเองถ้ามาปฏิบัติแบบนี้แล้วแทบจะไม่ต้องใช้กณฑ์คิดอะไรล่วงหน้าเลยว่าจะทําอะไรพอถึงเวลามันมันลงตัวมันเองพวกพ ว, กพวกลงตัวมันเองเพราะอาศัยความรู้นะนั่นนั้นเองวิธีการของพ่อเทียนนี้เราจริงโชคดี ที่มาพบเร้วมาก็พยายามเก็บวิดีโอเก่าๆรุ่นยี่สิบสปีก่อนนนเอาไว้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าในสมัยนั้นท่านสอนอย่างไรแล้วปัจจุบันเราสอนอย่างไรบอกกันอย่างไรเพื่อที่จะได้เห็นว่าในแล้วก็มาไปทําเปิดอบรมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เอาความคิดความเห็นของตัวเองแต่เอาแนวที่หลวงพ่อท่านสอนเอาไว้เพียงแต่ว่าเราไปขยายมันชัดเท่านั้นเองนะอ เพื่อที่จะได้เดินทางไม่ผิดทางาทระนสอนมาอย่างไรนะฉะนั้นเองพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากเราได้เห็นอย่างนี้แล้วเราเอาไปฝึกฝนดูทําความเข้าใจดูไม่ใช่ว่าทําไปตะพุทธตะพูตะวีตตะบันแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเราจะไปทางไหนนี่มันเสียเวลามันเหนื่อยเปล่าแต่ถ้าเข้าใจชัดๆเราจะเอาอะไรเราจะไปทางไหนแเราก็เดินทางช้าไม่เป็นไรขอให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง นั้นเองในแต่ละแห่งที่เราเปิดอารมกันเนี่ยไม่ไม่พลาดนะแต่ทั้งทั้งที่ที่อเมริกาซึ่งแตกต่างกับเรามากเวลาไปทำคอร์สเนี่ยก็มีคนเข้าใจมีคนเห็นแบบเราเรานี่แหละบางทีจะได้เยอะกว่าเราอีกเพราะเขาตั้งใจแล้วจะเปิดอารมอเมริกาจะมาอยู่ที่รุ่งรงแจ้งแจงอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> อากาศที่อเมริกามันหนาวก็วหนาวเย็นจะตายร้อนก็ร้อนจะตายก็ต้องปฏิบัติก็อยู่ในห้องแบบนั้นแหละทั้งวันอ่าถ้าออกข้างนอก ลมก็ลมจัดหน้าลมหน้าหนาวก็หนาวจัดทะลุองศาอะหน้าร้อนก็ร้อนจัดห้าสิบหสิบนั่นแหละในบางส่วนของอเมริกาแต่บ้านเราเนี่ยอากาศมันพออยู่ได้ร้อนก็พออยู่ได้หนาวก็พออยู่ได้มันก็เลยไปติดสบายซะนะดัง <c oughs> นั้นเองก็เราทั้งหลายก็อย่ายให้พลาดโอกาสอันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าทําจริงทําจังนะ อย่างที่บอกในะว่าก่อนจริงก็ให้รู้ว่าจริงเล่นก็ให้รู้ว่าเล่นเท่านั้นเองอย่าไปเอายึดจริงอย่าไปายึดเล่นแต่รู้ว่าเรากําลังเล่นเล่นไปยังไงเรากำลังทําจริงแล้วจริงมันเป็นยังไงก็ดู <c oughs> แล้วเรามันจะง่ายในการปฏิบัตินะฉะนั้นในวันนี้เราบรรยากาศก็ผ่อนคลายไม่ร้อนเท่าไหร่นะเราก็จะได้พักผ่อนไวขึ้นเพื่อพู้นิชาได้ตื่นมาเช้ชา เราค่อยขยับเวลาเข้ามาเรื่อยๆให้มีโอกาสได้เก็บอารมณ์ต่อเนื่องนะ น, นั้นก็ขอนมทนาสาธุนะในการที่เราได้ศึกษาวิดีโอชุดนี้แล้วก็มันจะเป็นภาพให้เราได้ลึกถึงหลวงพ่อได้ง่ายขึ้นมองเห็นภาพว่านี้ซ้อนอย่างไรท่านบอกเราอย่างไรด้วยจากปากคำของท่านเองเราก็จะไม่ลืมได้ง่ายความตั้งใจอย่างนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายได้พบประตูแสงสว่างใกล้นี้ เด็กกันทุกนทุท่านที่